วันนี้เป็นวันอังคารที่3มีนาคมพุทธศักราช2569เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันหนึ่งในสามวันสำคัญของพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขาบูชาวันลำลึกถึงการประสูตรการตัดสรุและการเสด็จดับขันธ์ประรินิพพานของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่สารโลกทั้งปวงวันที่สองก็คือวันอาสาหาบูชาวันที่ ทรงแสดงธรรมประทานให้แก่สัตว์โลกเป็นครั้งแรกและวันนี้วันที่สามวันสำคัญคือวันมาคาบูชาวันที่มีพระองหารตัดสาวก 1,250 สองรหรูปได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทุกสารทิตโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อน วันนี้เราถือว่าเป็นวันของพระสงฆ์วันวิสาขานี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าวันอาสาหาบูชาเป็นวันของพระธรรมคําสอนและวันที่สามวันมาฆบูชานี้ถือว่าเป็นวันของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นการปรากฏตัวของพระอาหารหันตาสาวกหนึ่งันสองรห้ารูปด้วยกัน โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากทุกสารทิพพาาระอรหันตสาวกทั้งหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปนี้เป็นพระที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ขอพระพุทธเจ้าบวนเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ทรงประทานวิธีการบวช ด, ด้วยการเปล่งวาจาว่าเอหิพิกุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดนี่ก็คือเป็นการบวชครั้งแรกๆของพระพุทธศาสนาของผู้ที่มีศรัทธามีความเนื่อมใสที่จะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ ประทานการบวชให้ในยุคแรกๆเวลาไทยต้องการที่จะบวชก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบขอประทานอนุญาตขอบวชจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงจะบวชให้ด้วยการก่าวาจาว่าเอหิพิกุแปลว่าจงมาเป็นภิกสุเถิดก็ถือว่าได้บวชเป็นพระแล้ว การที่มีพระอาหารหันตสาวกถึงหนึรรูปมารวมตัวกันนี้เป็นการยืนยันในความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสารวกว่าเป็นความจริงว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ ทามันเลิศอันประเสริฐที่ทำให้ผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้ได้นำเอาไปปฏิบัติได้หลุดพ้นออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนเราทำคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าสรงนํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ปรารถนาวิมุตติ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็เป็นคำะคาสอนที่เป็นความจริงเป็นความจริงก็คือสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์ได้ผู้ใดศึกษาและนาเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความจริงของพระธรรมคำสอนความจริงของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรม น่าความจริงของพระอริยสงสาวกคือผู้ใดที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุชุสปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็จะสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า นี่คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นในวันมาค้าบูชาเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นการรับรองการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเป็นการรับรองความจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นการรับรองของพระอริยสงสารว่าผู้ใด ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนทุกประการก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกได้ทุกทุกคนไม่จํากัดเวลาธรรมะของพระเจ้าเป็นอากาลิโกถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามถึงแม้พระอรหันตสาวก1250รรูปจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่นำเอาธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่สนใจก็ยังสามารถนำเอาธรรม น, นี้ที่พระพเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในอดีตมาใช้ในปัจจุบันนี้ น่าสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เช่นเดียวกันนี่คือคุณวิเศษของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาการวิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติ ด, ด้วยศรัทธา้วยวิริยะด้วยสติ ด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้อย่างแน่นอน<ม>การที่เรามาลำเลึกถึงความจริงเป็นจริงทั้งสามนี้ก็เพื่อป้องกันความหลงลืมในในใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่หมัน่นลำเลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆ เราก็อาจจะลืม ли, ลืมไปก็ได้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงพระธรรมเป็นของจริงพระสงฆ์อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นผู้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนเวลาที่เราเกิดความทุกขใจขึ้นมาเราจะได้มีกำลังใจว่าเรายังมีทางออกอยู่ความทุกข์ของใจนี้ เราสามารถกําจัดให้มันหมดสิ้นไปจากใจของเราได้ด้วยการอาศัยการศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็จะหายไปหมดได้อย่างแน่นอนในวันมาฆบูชานี้วันที่มีพระอริย พาาระอรหันตสาวง1ห5 0รลูกมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สรงประทานพระอวัตที่สำคัญเพราะว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือเป็นคำสั่งคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้ามีพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนต้องมีคำสอนสามข้อนี้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 ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่คือหัวข้อความของของคำสอนที่ได้ส่งประธานให้แก่พระหลานตะสาว12ก1250รูปในวันวางคับบูชานี้เพื่อจะได้เอาใช้เป็นมาตรฐานในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องแม่นยำไม่ให้คาดเคลื่อนจากหลักของการ กระทำที่จะทําให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองผู้ใดก็ตามถ้าปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติทําทั้งสามข้อนี้อย่างสมบูรณ์คือต้องละการกระทําบาปทั้งปวงต้องสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมต้องชําระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วจิตใจก็จะปราศจากความทุกข์ไปตลอดอนันตการจิตใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมาแบกกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆอีกต่อไปดังนั้นชาวพุทธเราผู้ที่ปรารถนาะความสุขความเจริญของจิตใจการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของจิตใจจำเป็นที่จะต้องนำเอาธรรมะทั้งสามข้อนี้ไปปฏิบัติ ตามกำลังของแต่ละท่านปฏิบัติจากน้อยไปหามากใครมีกำลังมากก็ปฏิบัติได้มากใครมีกำลังน้อยก็ปฏิบัติได้น้อยไปก่อนแต่เมื่อได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับการไปโรงเรียนเรียนหนังสือเวลาเริ่มต้นก็อาจจะต้องเข้าเรียนชั้นอนุบาลไปก่อนถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อน แต่ถ้าเราเคยเรียนมาก่อนแล้วเราอาจจะข้ามชั้นไปเรียนชั้นปถมหรือชั้นมัธยมก็ได้เพราะจิตใจของพวกเหล่านี้เป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายในแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดเราก็อาจจะมีโอกาสได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ม, มาบ้างแล้วก็ได้เราอาจจะได้ละการกระทําบาปบางส่วนได้แล้วก็ก็ได้ ได้สร้างบุญสร้างกุศลบางส่วนขึ้นมาแล้วก็ได้ได้ซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นมาบางส่วนแล้วก็ได้ถ้าเราได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาเรามาเกิดในภพนี้ชาตินี้แล้วได้มาพบกับพระพุทธ ศ, ศาสนาที่สรงสอนที่เดื่อใจให้เราปฏิบัติต่อไปเราก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อไปได้เลยจาก จากระดับที่เราเคยได้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาเ <Th an> ช่นถ้าเราเคยรักษาศีลมาก่อนแล้วเราเคยละการกระทําบาปรักษาศีลห้าได้เราก็จะมารักษาศีลห้าได้เลยแต <Th an> ่ถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลห้ามาก่อนเราก็อาจจะรู้สึกยากลําบากเราก็อาจจะต้องค่อยๆรักษาศีลไปทีละข้อก่อนก็ได้ มีศีลมีอยู่หข้อการละการกระทำบาปนี้มีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่มประพฤติผิดในการ 4. ไม่พูดปด 5. ไม่ดื่มสุรายาเมาของมุนเมาต่างๆถ้าเรายังไม่เคยรักษาข้อใดข้อหนึ่งเลยถ้าเรามีศรัทธามีความปรารถนาที่จะปฏิบัติตามคำสอน เพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดไปตามลำดับเราก็อาจจะทดลองรักษาข้อแรกข้อไหนข้อหนึ่งก่อนก็ได้รักษาหนึ่งข้อก่อนก็ได้อาจจะรักษาข้อที่ง่ายที่สุดสำหรับเราถ้าการไม่ดื่มสุราเป็นของที่ง่ายที่สุดเราก็เลือกดื่มสุราไปก่อนถ้าการไม่พูดปวดเป็นของง่ายเราก็เราก็รักษาข้อนี้ไปก่อน ก้ไหนที่เป็นขอเป็นข้อที่ง่ายสําหรับเราเราก็รักษาไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มการรักษาเพิ่มขึ้นไปทีละข้ออยาก1ข้อเราก็จะสามารถรักษาสองข้อได้2ข้อเราก็จะรักษา3ข้อ4ข้อ5ข้อแล้วต่อไปเราก็จะสามารถรักษาศี่ห้ได้ครบบริบูรณ์ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อว่าการรักษาศีล5นี้จะช่วยป้องกันความทุกข์ ไม่ให้เกิดขึ้นได้ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะหายไปถ้าเราไม่ไประทำบาปทับร้างอีกถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วเราลองนำมาไปปฏิบัติดูพอเราปฏิบัติแล้วเราก็เห็นผลว่าเป็นบันดที่ส่งสอนไว้ทุกประการความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่กระทาผิด ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็จะไม่มีความทุกข์กับการฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ลักทรัพย์เราก็จะไม่มีความทุกข์กับการลักทรัพย์ถ้าเราไม่มีการประพฤติผิดในการมเราก็จะไม่มีคว <mon trans ito> ามทุกข์จากการประพฤติผิดในการมเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ในเบื้องต้น เราต้องมากำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปก่อนเพราะว่าเป็นของใกล้ตัวเราเป็นของที่เราสามารถทำได้ง่ายที่สุดก็คือการรักษาศีลนี่ เ, เื้่งต้นเราอาจจะไม่สามารถรักษาทุกวันไปก่อนก็ได้ก็ลองไปรักษาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลือกเอาวันไหนที่สะดวกวันไหนที่เราสามารถที่จะรักษาศีลได้เราก็สมาทานศีล 5แล้วก็รักษาศีล5ในวันนั้นไปต่อไปเราก็อาจจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มวันของการรักษาศีลให้มีมากขึ้นรักษาศีลห้าได้1วันครั้งต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็น2วัน3มวันไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นผลของการรักษาศีลว่าจะทำให้ใจเย็นใจสงบใจไม่ค่อยวุ่นวายไปกับการกระทำที่เสียหายการกระทำบาปทั้งหลายได้ ก็จะเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลแล้วต่อไปก็จะสามารถรักษาศีลห้าได้เป็นนิจศีลคือเป็นปกติจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดโกรไม่ดื่มสุรายามเมาถ้าสามารถละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงได้ต่อไปความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทำบาปก็ไม่เกิดขึ้นอา น, นิสงส์นอกจากการที่จะไม่มีความทุก ในปัจจุบันแล้วจากการกระทำบาปแล้วตายไปก็จะไม่ต้องไปรับผลผลบาปในอบายต่อไปด้วยเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่ทำบาปอยู่ก็ใจนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มีบาปกรรมพาไปบาปก็จะพาให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุรกายบ้างไปนรกบ้าง แต่ถ้าไม่ได้ทําบาปเลยการที่จะไปเกิดในอบายก็จะถูกระงับไปตามใ ด, ดที่เราไม่ได้ทำบาปบาปก็จะไม่มีบาปก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้ไปเกิดในอบายก็จะไม่มีเราก็ยังเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเกิดในอบายกลับมาทําบุญทำกลับมารักษาศีลใหม่ เพราะถ้าเราเคยรักษาศีลไว้แล้วพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีนิ ส, สัยติดตัวมานิ ส, สัยของการไม่ทํำบาปติดตัวมาเราก็จะรักษาศีลต่อไปได้แล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติข้อที่สองของทำที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ก็คือการทําความดีต่างๆทําบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม การทำความดีก็คือการทำประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่นหรือกับตนเองนี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดีถ้าเราทำความดีแล้วเราก็จะได้อา น, นิสงส์จากการทำความดีคือเราจะได้ความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นมาในใจของพวกเราทุกครั้งที่เราทำความดีนี้ ความดีนี้จะสะสมไว้ในใจความสุขใจจะมีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับใจเรานี้จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปม า, มากมาขึ้นไปทุกครั้งที่เราทำบุญทำทำกุศลทำความดีต่างๆเพราะความดีบุญกุศลที่เกิดจากการทำความดีนี้คือความสุขใจจะฝังอยู่ในใจของเราจะไม่สูญหายไปยังอยู่กับใจของเราต่อไปจะ จะเริ่มจะเริ่มมีการสูญไปก็หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่ใจไม่มีร่างกายใจก็จะใช้บุญกุศลที่ได้กระทําไว้นี้เป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับใจทําให้ใจหรือดวงวิญญาณนี้ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆเวลาไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆบุญที่ได้สะสมไว้ก็จะค่อยๆ ค่อยๆหมดไปเหมือนกับเงินทองที่เราเก็บสะสมไว้เวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็เอาเงินที่เราสะสมเก็บไว้นี่ไปใช้ในต่างประเทศใช้ไปเรื่อยๆต่อไปเงินทองที่เราใช้อยู่มันก็จะหมดหมดเราก็ต้องกลับมาบ้านกลับมาทํางานทาการมาหาเงินหาทองใหม่ฉันใดเวลาที่ร่างกายของเราตายไป ดวงวิญญาณของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องใช้บุญเป็นเป็นปัจจัยในการอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าไม่มีบุญก็จะไม่สามารถไปอยู่อย่างสุขสบายได้ก็อาจจะต้องไปอยู่แบบละเห่เล่ล่อนไปอยู่แบบขอทานแต่ถ้ามีบุญมีกุศลก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญที่เราได้สะสมไว้หมดลง เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีนิสัยทำบุญติดตัวมากับเรามีมีนิสัยรักษาศีลติดตัวมากับเราเวลาเรามาเกิดเราก็จะมาเกิดมาทำบุญทำทานต่อมารักษาศีลต่อได้เลยเพราะมันเป็นเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในนิสัยของเราทำอย่างนี้ไปถ้าทาได้เพียงขนาดนี้การเวียนว่าตายเกิด ของเราก็จะอยู่ในสุขติไปเรื่อยๆเวลาตายไปก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็กลับมาทำบุญทากุศลใหม่มารักษาศีลใหม่แล้วเวลาตายไปเราก็กลับไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆใหม่อันนี้ก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อแรกคือไม่กร ะ, กระทำบาปทั้งปวง คือด้วยการรักษาศีลห้าแล้วก็ไม่แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการทําคุณงามความดีต่างๆสร้างคุณสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ผู้่แล้วบุญเหล่านี้ก็จะปหลอดเลี้ยงจิตใจในยามที่ไม่มีร่างกายบุญก็จะส่งให้ดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารามี มาเกิดเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมั่งคั่งมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นต้นนี่ก็จะเป็นการพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดไปในสุขติไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถสร้างหรือปฏิบัติทำข้อที่สามที่พูดเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ก็คือให้ซักฟอกจิตใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่า ถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องซักพอกจิตใจชำระกิเลสตัณหาที่เป็นเหตุที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราเพียงแต่ทาบุญทาทานรักษาศีลแต่ยังไม่ได้ซักพอกจิตใจนี้กิเลสตัณหามันไม่ได้ตายไปกับการทาบุญทาทานห ร, หรือการรักษาศีลแต่อย่างใดถ้าอยากให้กิเลสตัณหา ตัวที่พาให้เรากำมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆในพบน้อยพบใหญ่เราต้องกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ให้ได้และวิธีการกำจัดกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนาและโดยการสนับสนุนด้วยของการปฏิบัติเนคขมมะในคขมมะก็คือการละเว้นจากการแสวงหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่เสื่รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆด้วยการถือศีลของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปจะเป็นศีล8ดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองิบเจ็ก็ได้ศีลเหล่านี้จะป้องกันไม่ให้ไปเสืไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสืรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเป็นความสุขที่จะทําให้ติดกับการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดใน ในพบต่างๆก็ต้องระ ง, งับการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสและเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบการการที่เราจะเสพความสุขจากการสงบได้เราต้องปฏิบัติจิตตะภาวนาซึ่งมีอยู่สองระดับด้วยกันในสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถาภาวนานี้จะทำให้จิตใจสงบ ระ ง, งับจากความโลภความอยากต่างๆได้แบบชั่วคราวความโลภความอยากไม่ตายเพียงแต่ถูกระ ง, งับไว้ไม่ให้ออกมาทํางานเวลาจิตมีสติควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้จิตก็จะหยุดทํางานพอหยุดทํางานกิเลสตัณหาที่ใช้การทํางานของจิตเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถทํางานได้จิตก็จะเน่งสงบแล้วก็สัมผัสกับรอแห่งธรรม ที่พูเจ้าทรงจัดว่าเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเองแต่เป็นความสุขที่เป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าสติที่คอยหยุดความคิดทำให้ใจนิ่งนี้ก็จะบทกาลังลงเวลาที่สติอ่อนกำลังลงจิตก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมาใหม่จิตก็จะถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็มา มาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆแล้วก็จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆปรากฏตามขึ้นมาพอมีความโลภความอยากต่างๆความสุขที่ได้จากความสงบก็จะถูกทำลายไปโดยที่ทำลายความสุขและความสงบนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ส่ง รู้ว่าเหตุที่ทําไมจิตถึงไม่สงบเวลาออกจากสมาธิมาก็เพราะว่ามีกิเลสตัณหาออกมาทํางานนั่นเองขณะที่เวลาอยู่ในสมาธิจิตสงบมีความสุขก็เพราะว่ากิเลสตัณหาทํางานไม่ได้แต่พอออกจากสมาธิมาพอละปล่อยให้จิตเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆกิเลสคือความโลภความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาทันที พ อ, อกิเลโผล่ขึ้นมาก็ไปเหมือนจุดไฟเผาจิตใจ <c oughs> สร้างความร้อนรนให้กับจิตใจความสงบความเย็นใจที่ได้จากสมาธิก็จะจางหายไปเข้ามาแทนที่ก็คือความรุ่มร้อนของจิตใจผู้ที่ไม่รู้ว่าคิดว่าเวลาจิตใจรุ่มร้อนด้วยความอยากก็ต้องไปทำตามความอยากพอเวลาทำตามความอยากได้ความรุ่มร้อนนั้นก็จะหายไปแต่หายไปเพียงชั่วคราวเท่านั้น ไม่นานเดี๋ยวความนุ่มนวลของจิตใจก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆเห็นสิ่งแปลกๆสัมผัสรับร Large, ye, 小 okay, 小 okay, 小ูบ้ ก, กับสิ่งใหม่ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทำให้จิตหายจากความนุ่มนวลใจกำจัดความอยากได้นี้ต้องทำด้วยการไม่กระทําตามความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้จะต้อ ง, งระงับความอยากให้ได้และวิธีที่จะระงับความอยากให้ได้นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงคนพบว่า ต้องมองเห็นในสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นทุกข์สิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขนั้นถ้าเรามองลึกๆเราจะรู้ว่ามันเป็นมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนตอนที่เราได้มาใหม่ๆมันอาจจะให้ความสุขกับเราแต่พออยู่กับเราไปสักระยะหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้หรือมันอาจจะหายไปจากเราไปก็ได้เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันจากเราไป ตอนนั้นความเศร้าโศกเสียใจก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือวิธีการของปัญญาปัญญาต้องมองข้ามมองทั้งปัจจุบันมองทั้งอนาคตสิ่งที่เราอยากได้ปัจจุบันอาจจะให้ความสุขกับเราแต่ต่อไปในภายภาคหน้ามันจะเปลี่ยนไปหรือมันจะหมดไปมันจะสิ้นสุดลงเพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเป็นภาวะเป็นสภาวะธรรมทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับได้ไม่สามารถสั่งให้มันเป็นเหมือนเดิมได้ไม่สามารถสั่งให้มันอยู่ไปตลอดได้ทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ท่านถึงสรุปลงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าทุกครั้งเกิดความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งนั้นให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้จิตก็จะไม่ทําตามความอยากทันทีจิตก็จะระงับความอยากได้ทันทีเพราะจิตไม่ต้องการความทุกข์จิตทุกดวงต้องการความสุขแต่ที่ไปหาความทุกข์เพราะความหลงเพราะโมหะอวิชชาหลอกให้ไปเห็นว่าเป็นความสุขเท่านั้นเองแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาอย่างรอบครอบก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้น ทุกพ่อเป็นของไม่เที่ยงทุกพ่อเป็นเป็นสิ่งที่เราสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปหมดไปแล้วมันก็จะให้ความทุกข์กับเราพอเราใช้ปัญญาพิจารณาแบบนี้ได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้พอความอยากต่างๆถูกกำจัดหมดกจัดหมดไปจากใจ ใจก็จะกลับมาสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะตัวที่มาสร้างความวุ่นวายใจได้ถูกกําจัดไปหมดเมื่อไม่มีความวุ่นวายใจใจก็กลับมาเป็นปกติอยู่เบียงสงบสุขไปโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิอีกต่อไปนี่คือวิธีกําจัดความทุกข์อย่างคาวรต้องกําจัดขั้นด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นก็ต้องอาศัยการระงับด้วยการใช้สติระงับไว้ชั่วคราวก่อน แ้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากได้แล้วความอยากที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจก็จะมีแต่ความสงบสุขไปตลอดเรียกว่าเป็นบาลมสุขนิบานังปรมังสุขขังใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เรียกว่าเป็นเป็นนิพพานเป็นใจที่มีบรลมสุข ใจที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คืออ น, นิสงส์ที่เราจะได้รับถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมข้อที่สที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้พวกเรามาปฏิบัติกันดังนั้นในวันมาฆบูชานี้ถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญของจิตใจของชีวิตของพวกเราก็ขอให้เราหันมาศึกษาคำสอนทั้งสข้อนี้แล้วนาเอาคาสอนทั้งสามข้อนี้ไปปฏิบัติตามกาลังของเรา แล้วต่อไปเราก็จะสามารถปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์ได้อย่างแน่นอนเมื่อเราสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราภพชาติต่างๆที่เราต้องมา เ, าเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ก็จะถึงจุดสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนนี่คือวิธีการของการบูชาพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันที่สําคัญคือวันมาฆ บ, บูชาแห่งนี้ก็คิดว่า ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการแสดงธรรมในเนื่องในวันมาคาบูชาเพราะว่าต่อไปอีกอีกประมาณ20กว่านาที30นาทีนี้เราจะมาปฏิบัติบูบชากันด้วยการมานั่งสมาธิจเจริญส ม, มะถะภาวานาเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบเพื่อลังับความอยากความโลภต่างๆไว้ชั่วคราวก่อนถ้าเราสามารถลังับได้ เวลาที่จิตสงบเวลาที่ความโลภความอยากไม่ทำงานเราจะสัมผัสกับความนุ่มเย็นเป็นสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอ ย, อย่างแน่นอน ด, ด, ด, ดังนั้นดังนั้นตอไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันวิธีนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งนี้เราต้องมีสติคือการระลึกรู้ไว้คอยควบคุมจิตใจ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ผูกใจไว้กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบให้นิ่งก็คือกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติให้มีสติและเลิกรู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือบางท่านอาจจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เรียกว่าอาณาปานาสติ การมีสติแล้วเลือกรู้อยู่การเข้าออกของลมหายใจเราต้องมีอะไรผูกใจไว้อย่าปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆเพราะว่านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วพอคิดแล้วก็จะไม่สามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาได้เบื้องต้นนี้เราต้องการทำใจให้นิ่งให้สงบ ก, ก่อนส่วนเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนานี i เป็นเรื่องที่จะตามมาต่อไปหลังจากที่เราได้สมาธิแล้ว เพราะถ้าเราไม่ได้สมาธิเราจะไม่มีกำลังใช้ปัญญาหยุดความอยากต่างๆได้ถึงแม้เราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้ดังนั้นเบื้องต้นเราจ้องมาฝึกสมาธิกันให้ได้ก่อนหยุดความอยากแบบชั่วคราวให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยมาใช้ปัญญามาหยุดความอยากอย่างถาวรต่อไป ขณะนั่งสมาธินี้ต้องมีสติและเลือกรู้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พุทโธก็ดูลมหายใจเข้าออกไม่ดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธก็ต้องอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้พอบางทีใจคิดมากไม่สามารถอยู่กับลมได้ไม่สามารถอยู่กับพุโทโธได้ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปภายในใจไปก่อนสวดบทไหนก็ได้บทสั้นก็ได้บทยาวก็ได้ข้อสาคัญขอให้เราสวดอยู่เรื่อยๆให้มีสติอยู่กับการสวด อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมๆกันต้องไม่ให้คิดอะไรให้อยู่กับการสวดเพียงอย่างเดียวถ้าดูลมได้ก็อยู่กับการดูลมอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุโทโธได้ก็อยู่กับการบริกรรมพุโทโธเพียงอย่างเดียวถ้าเราสามารถทำได้อย่างตอนนื่งไม่กี่นาที 4-5 หนาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นเวลานั่งอย่าไปสนใจเวล า, ม, ามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมีความรู้สึกวิติสุขหรือ มีน้ำตาไหลมีขนลุกหรือว่ามีเสียงมีอะไรเข้ามาก็อย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจแล้วจิตของเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งกรรมฐานเราใช้กรรมฐานนั้นเราต้องผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างนั้นให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่นานจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันเวลาประมาณสัก25สบนาทีด้วยกัน อตอนนี้เวลาสําหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกโปรดสังเกตว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็จดจําวิธีนั่งของวันนี้ไว้คราวหน้าเวลามานั่งอยากจะให้สงบเหมือนวันนี้เราก็สามารถทําต่อได้เลยอย่าไปอยากไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทําให้สงบถ้ายังไม่สงบก็พยายามจเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่ง สามารถจเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะทาวะเรวาหาปุราริปุเอนติสาขังเอวเมวะอิตุจินังเปตานังอุปการปตี อิติตังปาิตังตุหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนาระโสยธามนชโตติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขิติขายุโกภวะ อาภิวาธานาสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารุธมรมวะทานติอายุวันสุขังภาลางังวันนี้เวลาสำหรับการพนทนาธรรมก็หมดพอดีถ้าขอขอถามยอดผู้ที่มา วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรบเรียนครับอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง f เฟซบ o ๊กอาจารย์สุชาติ367ท่านทางย u ทูบอาจารย์สุชาติ368ท่านทางยู u ูบดรวี6กท่านทางวิทยุออนไลน์6ท่านทางครับเฮาท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ 457ห้าท่านรวมทั้งหมด 1,262 งนรบอท่านครับอันนี้กับ 1,250 ัเลยนะก็ต้องขอยุติการสนทนาธรรมฟังธรรมสาหรับวันนี้เพียงแค่นี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ